ขอ อ, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตาสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้เพราะวันศีล น, นี้เป็นวันศีลเพ่น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 คนงามความดีใดๆที่จะบังเกิดขึ้นในกลางพันษานี่ก็ให้พากันเริ่มตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้คนงามความดีมันเกิดมีขึ้นให้บญบรารมีแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับ โดยเฉพาะคืนวันนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายหรือว่านั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้แก่เอาขาซ้ายขึ้นมา ทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายก็วางมือเอามือขวาทับมือซ้าย <c oughs> อันนี้เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็ภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบ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 การนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่ของทำเล่นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการนั่งสมาธินี้ในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้านั่น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 เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดไม่ได้ตรัสลูกก็ยอมตายในที่นั้นไม่ต้องกินต้องนอนกันแลลว แล้วว่าเจตใจของพระองค์เด็ดขาดไม่มีความท้อถอยประการใดอุบายภาวนาของพระองค์ท่านก็กาหนดลมหายใจคือธาตุลมและดวงจิตดวงใจของคนเรานะมันคล้ายคืองกันธาตุลมลมหายใจอากาศลมนั้น ไม่มีเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนคลายกันกับมโนธาตุธาตุจิตธาตุใจของเราทั้งหลายดวงจิตดวงใจที่รู้ฟังทำได้ยินเสียงอยู่นี่ก็เหมือนลมแต่ว่าลมภายนอกก็ตามถ้ามันรวมตัวแล้วเป็นลมแรงพัดบ้านเรือน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 พาทรเจ็ดพากายทาทาบาปก็ได้ทาบุญก็ได้ทาดีก็ได้ทาชั่วก็ได้ล่นแรงเหมือนกันบัดนี้เราได้มานั่งสมาธิภาวนาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้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 โดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวานาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจของตนให้สงบระงับดีกว่าตั้งแต่ก่อนๆมาเราจะไม่ย่อท่อในการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดเหล่านี้คืนไหนไม่ได้นั่งสมาธิภาวานาเป็นอันว่าเราจะไม่นอนเป็นอันขาด ถ้ามันจะมาตายเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก่อนจะนอนกอน็นั่งสมาธิตายสักชาติหนึ่งก็จะดีตั้งเจ็ตตั้งใจขึ้นมาให้มันกล้าหันในใจบ้างกิเลสมารสังขารมารกิเลสความกรอดความโลภความหลงในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้ มันเหยียบย่ำจะหมเยมเหยียบย่ำกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราเกิดมาชาตินี้มันก็ยังย่ำยีอยู่ตลอดเวลาย่ำอย่างไรก็ย่ำยีด้วยความโกรธ เมื่อคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นทำอะไรพูดคิดอะไรไม่เหมือนตอนเองก็โกรธนะตัวนั้นแหละสาคัญเลิกละให้หมดสิ้นในกลางพรรษานี้ความโลบคือความไม่อิ่มไม่พอในใจนั้นก็เหมือนกันเป็นความร้อนในใจมนุษย์ในพรรษานี้ทำใจให้พอ เมื่อใจสงบใจพอนั่นแหละพระอยู่ที่พอไม่ใช่อยู่ที่แพทย์เราเห็นว่านุ่งเหลืองเป็นพระนุ่งขาวเป็นผ้าขาวอันนี้มันเรื่องของผ้าเรื่องของใจนั่นต้องรวมมาสู่สมาธิภาวนา อันสมาธิภาวานานีเป็นสิ่งที่เรียกว่าลี้ลับซับซ้อนอยู่หน่อยเพราะอุปสรคต่างๆนั้นมันมีมากแต่ถ้าความตั้งใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงใจมีสัจจะอธิษฐานในใจของตนจริงๆแล้วอุปสรรคก็ไม่มี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 ได้เวลาปฏิบัติภาวนาก็รีบลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้ใจอืดอัดที่เศร้าเหงานอนไล่ทำมันออกไปให้หมดอุปสรรแห่งการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านว่านีวอนทั้งห้า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 อย่าให้ใจหลับไหลเจตใจจะไม่หลับไหลนั้นต้องเป็นใจิตใจที่นึกน้อมอยู่ในภาวนาในคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกความพลัดพรากจากสัตว์ทั้งสังขารทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลเราใจต้องระลึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ให้มองเห็นภัยธรรมรมดาอันมันมีอยู่ในรูปนามกายใจของเรานี่แหละทุกเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันหนีไม่พ้นให้ใจนึกน้อมมองเห็นชราพยาธิอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของเราอยู่เสมอเจตใจก็ไม่ง่วงเหงาเหาหน่อ ใจไม่หลับเรียกว่าใจชื่นบานเบิกบานโยภายในใจของตัวเองเร่แร่งภาวนาอยู่ทุกเวลาคำว่ามารณกรรมฐานเราจะต้องเจริญให้รู้โยทุกลมหายใจเข้าออกว่าลมเข้าไปนี่ถ้าออกมาไม่ได้เราก็ตาย ลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็าตายความตายในตัวเราในชีวิตเหตุใจนี้มีโยทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าได้ค่าวว่าสกายแล็บสกายเลิบจะตกลงมาแล้วก็กลัวตายอันนั่นมันเรื่องหนึ่งมันกลัวตายแล้วก็ พุงานไปไอตัวเรามันตายไปทุกวันทุกวันนั่นดูให้ดีอะไรมันตายความแก่ความชราดูที่มันตายไปโดยลำดับลาดับคนแก่สีสันวันละเป็นอย่างไดหูตาเป็นอย่างใดผมเป็นอย่างไรคนแก่นั่นแล้วมันตายไปตายไป คนแกมักจะเจ็บเขา่าเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆเพราะอะไรนั่นและมันแกมันเจ็บเลอมันก็คือว่าตายไปโดยลำดับลาดับตาแต่เมื่อเด็กเมื่อดมดูอะไรพออะไรชัดเจนเวลาแกเท่าทำไมดูอะไรไม่ค่อยได้จะดูหนังเสี้ยนหนังสือก็ต้องใส่แวน่นเข้าแวน่น นั่นเรคือมันแกเราให้นึกให้มันได้สอนใจเราให้ได้ทำไมจึงบ่นว่าเจ็บนั้นเจ็บนี้ก็เพราะว่ามันแก่ะมันแก่ชราแลียวก็มันตายไปโดยลำดับลำดับด้วยแต่เราไม่ได้คิดอ่านไม่ได้เพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาก็กเลยเข้าใจว่า ความตายนะั้มันอยู่ข้างหน้าโน้นมันยังไม่ใกล้แท้ที่จริงวันหนึ่งมันหมดไปเราก็ตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปเราก็ตายไปในคืนนั่นแล้วมันตายไปโดยลำดับยังเหลือแต่มันจะตายหมดลมหายใจเท่านั้นแต่เราไม่ สงบจิตสงบใจไม่ภาวานาดูให้รู้ในจิตก็เลยมาสำคัญผิดคิดว่าเรายังไม่ตาย ง, ง่ายง่เป็นความประมาจงนึกโยเสมอเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าความจริงเราตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาเสียงที่เราฟังอยู่มันก็แตกไปดับไป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 เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แตกจริงๆตายจริงๆใครจะเอาไปไหว้ที่ไหนไม่ได้จะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ตา่างถ้าเกิดขึ้นมามีรูปนามกายใจอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แล้วก็ต้องตายแน่แนไม่มีทางแก้ได้อันที่เราว่าแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้คือมันยังไม่รุนแรงก็เหมือนกับว่าแก้ได้ ถ้ามันรุนแรงแล้วไม่ว่าคนเด็กคนนมแกชราเอาไม่ไหวเหมือนกันการที่เรามีชีวิตขึ้นมานี่ท่านว่าเป็นลาบอันประเสริฐอย่างว่าถึงวันเข้าพรรษาเราได้มาวัดวาศาสนาได้มาทาศาสนพิธี จนถึงขั้นนั่งฟังเทศน์นั่งภาวนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่เราไม่ตายเสียก่อนวันนี้เวลานี้ก็นับว่าเป็นบุญเยล่ามนุษย์สติลาโภโยเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริ ได้แก่เราจะได้บำเพ็ญทานรักษาสินห้าสินแปดขึ้นไปจเจริญสมาธิภาวานาทําความเพียรละกิเลสเราไม่ตายเสียตั้งแต่อธิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนโนดโดยเฉพคนเราเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านของเรานั่นเมี่อเกคนตายไปปีนี้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 ไม่ตายไปเหมือนคนทั้งหลายที่เขาตายไปแล้วเป็นบนโกศน์เมื่อบนโกศน์มาถึงวันเวลาอย่างนี้แล้วเรายังจะปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่นไม่สมควรเลยจงสงบเจ็ดสงบใจรวมจิตรวมใจบริกรรมภาวานาเอาจิตใจให้สงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นลงไป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 อันนี้คือว่าปิดทวารปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นแหละคนผู้โยนายคือใจนะ่ะมันโยภายในนี่ใจนั่นไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่มีมันมีโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองตัวเราทุกคนเนกก็หมายเอาโรกประขันตัวจริงๆคือดวงใจนั่นละ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 โดยเฉพาะพรรษานี้ให้ภาการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าลั่งเล อ, อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเหมือนแต่ก่อนอย่าไปมัวอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างเรื่องยุ่งยากต่างๆนานาเร่บทำทำแล้วก็เป็นอันว่าแล้วใจแล้วไปแต่กิเลสมารสังขารมาร น, นั้นมันคอยอยู่ หาวิธีขัดข้องอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวก็การงานมากเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้พัดวันเวลาอยู่ตลอดเวลาอย่าไปตามเจ็ดอันนั้นเมื่อได้เวลาแล้วให้ลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่ภาวนาของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปอ่อนข้อต่อกิเลส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 ธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองจองกรทั่งถึงน้ำมดูดนั้นธาตุน้ำมันประชมกันอยู่ในตัวอันนี้แหละทีนี้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำลงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วธาตุไฟมันเป็นธาตุที่มาอาศัยเข้ามาอยู่ในธาตุดินและธาตุน้ำนะั้น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 ในปากในคอก็เป็นภาษาคนเป็นภาษาสัตว์ไปนี่ให้พากันรวมจิตรวมใจตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงลงไปจิตใจใดที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงให้พากันเลิกละปลดปล่อยออกไป ตั้งใจให้นแน่วแน่เด็ดขาดลงไปว่าปีนี้พรรษานี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาให้เข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับผู้ที่จะรีบเร่งภาวนาปฏิบัติบูบชาเดินจมกลมให้เจริญก้าวหน้านั้น จะต้องระลึกถึงพระบรมศาสตร์สดาจา์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ทีแรกลองลงมาก็พระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดชี่แจงไว้ให้ชื่อว่าพระธรรม ลองลองมาก็าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนับเป็นอสงไขยอสงไขยท่านที่ได้ดับขันเข้าสู่นรกพานไปแล้วจนตลาดสงสาวกในสมัยนี้อีกเราจะต้องนึกถึงจเจริญในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่แหละเป็นสรณะที่พึง เราต้องเจริญโยู่เป็นเนตเตตอกันไปเมื่อแยกว่าเป็นสามคันยนย่อเข้ามาก็รวมโยในพุทธโธนั่นแหละพุทธโทธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมก็อยู่ที่นั้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็อยที่นั้นไม่ต้องไปหาที่เอืญเมโยในใจทุกทุกคน อันการภาวนานั้นอุบายใดมันก็ดีทางนั้นแหละถ้าเราเอามาปฏิบัติมาพิจารณามาบริกรรมพุทธโอคำเดียวอาจสามารถจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันตตาไนดะ้ไม่ต้องสงสยัยมันขึ้อนโยกับผู้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 ไม่ได้มาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานของตนว่ามันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันรอความตายอยู่ทุกเวลาเราจะมาหลงยึดหลงเถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าจะไม่ให้มันเป็นอะไรอาวานาเล็กๆแน้อยยังวางขันทั้งห้าไม่ได้ลองเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนะมื่อแปดด้านขึ้นมา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 พอทุกขเวทนานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายมาถึงมันเป็นภัยที่ใหญ่หลวงที่สุดไม่มีอะไรที่จะไปทัดทานได้ทีนี้ถ้าจิตใจของผู้ภาวนานีเป็น เย็ดใจอันมั่นคงในสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาไม่เย็ดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราแยกออกได้จากจิตและเจ็ดก็ไม่ไปเยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแลจึงจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตาย เพราะจิตใจนั้นถ้าหากว่าจิตใจมันสามารถอาดหานแล้วชีวิตของคนเรานั้นทิ้งเมื่อใดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะดับขันเข้าโซนารุพานในคืนวันนั้นมันก็ได้แต่ด้วยความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแก่โลกทั้งหลาย พระองค์ก็รักษาชีวิตไว้ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเทวดาอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายให้ได้ไปสู่ที่ดีที่งามที่พ้นทุกข์พระองค์ก็อุตส่าห์พยายามอยู่ในโลกกับมนุษย์สมัยนั้นตั้ง45หปี พระองค์มีความอดทนขนาดไหนเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมในทางพุทธศาสตร์สนาได้ภาวานาได้ปฏบิบัติบูชามากน้อยตามส่วนก็อย่ามีความท่อแทอ่อนแอในดวงจิตดวงใจเพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนเราคนหนึ่งนี้จิตเป็นใหญ่ เป็นใหญ่กว่ารูปร่างกายรูปร่างกายนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นบาวไร้าลาดสะดอนใจนี้ท่านเปรียบเป็นเหมือนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะใช้ประชาราษดสะดให้ทาอะไรได้ท้งนั้นท่านจะฆ่าทิ้งก็ได้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 บนกุศลทานศีลภาวนาให้พากันประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งใดไม่เกิดไม่มีขึ้นก็พากันประกอบกระทําให้มีขึ้นเหมือนว่าจิตเราไม่สงบเราก็บริกรรมภาวนาลงไปเอาให้สงบระงับด้ ไม่ให้จิตใจท่อแท้ออนแอร์กลัวตายอย่างเดียวเท่านั้นละ่ะทําได้หมดบางคนก็คิดว่าทำไมหนอข้าพเจ้าจึงไม่ได้บรรลุมรคนิพพานอยากจะให้บรรลุมผลนิพพานเสียทีเดียวมันรู้แล้วรู้ลอดไปนี่แหละถ้าเราต้องการอย่างนั้นจริ ง, รงๆก็นี่แหละทุกลมหายใจ ต้องตั้งใจใหม่ในพรรษานี่แหละตั้งแต่วันพระวันศีลวันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดพิจารณากา ย, ยกตาสติกรมฐานก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจ เนกถึงความตายให้มันได้ทุกลมหายใจเนกถึงพุทธทคุณพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกลมหายใจทำจริงๆให้มันเข้าถึงจิตใจจริงๆแล้วมันจะเหลือวิสัยของผู้มีเพียรไปไม่ได้พระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าวิริเยเนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกขไปได้ก็เพราะความเพียร ความเพียรความมันความขยันขันแข็งภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละเมื่อเมอขึ้นในจิตในใจแล้วก็พากายวาจาจิตทั้งหมดทั้งมวลก้อนนี้ทำอะไรได้หมดทั้งนั้นมันขึ้นกับความเพียรความมันของบุคคลความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในใจของตน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 ผู้นั่นจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาทุกคืนคืนไหนไเจ็ดใจเลาะลาะและหวั่นไหวมไม่สงบระงับเราไม่ยอมอย่างเดียวละ่ะเอาชนะได้ถ้านั่งมันง่วงเหงาห่านอนเราจะมานั่งทำไ ม, มเยืนขึ้นบริกรรมภาวนาอยู่ นี้ถ้าเดินเคลืนโยเดินโยยังมีความง่วงเหงาหงนอนแล้วก็เดินสิเดินกลับไปกลับมาคือว่าเคลื่อนในร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่ให้ความง่วงเหงาหงนอนเข้ามาทับถมให้จิตใจบริกรรมภาวนาเบิกบานยิ้มแย้มแจม่มใสอยูย่ภายในจิตใจอันนั้น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 ไม่มากก็น้อยมันถึงมีเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆ น, น้อยๆอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ยึดไม่ถือใจของเราก็จะได้มีโอกาสมีเวลาตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้ ง, งใจภาวานาอยู่ทุกเวลาการภาวานาที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดมรรคเกิดผลเกิดความรู้ความฉ ล, ลาดความสามารถอาจหารขึ้นมานั้น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 อย่าไปเชื่อไปฟังกิเลสมารสังขารลมารภายในจิตอันนั้นเรียกว่าทำใจให้มีสติโยเสมอละลึกได้อยู่ทุกเวลาทำใจให้มีความสามารถอาหารอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอทอดแท้กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายกลัวมันทำไม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 ดวงใจนั่นเราฟังธทำได้ยินเสียงโยที่นีก่อนนั่นและดวงใจไม่ต้องไปหาที่ไหนล่ะดวงใจผู้รู้โยมันรู้โยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงอยู่นะไปหลงตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดผนที่สุดก็ไม่รู้ ไม่โลก็ยังมีโลอยู่ใน น, นั้นดูให้ดีตั้งอกตั้งใจลงไปเอามันทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกความอ่อนแอท้อแท้ในดวงใจไม่มีเป็นจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงไม่สะทกสะท้านต่อใครอันตรายใดๆทั้งหมด เรียวพุทธทออยู่ในดวงใจนี้ทำโมอยู่ในดวงใจนี้สังโคอยู่ในดวงใจนี้บุญบรารมีอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทานศีลภาวนาทั้งหลายแหล่มารวมอยู่ในดวง ใ, นวงใจนี้นี่ก็คือเจ็ดดวงที่รู้โยในตัวในใจเราทุกทุกคนจงรวมจงสงบเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจดวงนี้ให้ได้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 คนเอื่นผู้เอื่นเขาไม่ทําช่างเขาเป็นไรตัวเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังภายในจิตใจของเราเท่านี้ก็พอดวงจ็ดดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังโยในขณะเดี๋ยวนี้มีโยที่นี่ตถ ะ, ะตถ ะ, ะในที่นี่นี้ ให้พากันรวมสงบเข้ามาตั้งมั่นในใจของตนให้ได้เนเป็นโอบายพาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้มนัดสิการกำหนดจดจำไว้ณภายใน แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลชนิสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลคโควินัสตุมาเตภวัตวัน ต, ตราโย ο. สุขีทีคายยโกภะอะผวาธนาศีริสนิจังวุธาปิจายิโน จตาโรโธรร ม, มาวทันติอายุวันโนโสคัขขงภาลัง